ทีนี้อย่าลืมว่าในช่วงพักเบรกเนี่ยเราพักแต่ร่างกายนะเราไม่ได้พักจิตใจเพราะฉะนั้นการงานภายในของเราเนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันต่อเนื่องสองชั่วโมงนี้เราฝึกกันอย่างต่อเนื่องไปห้องน้ําเราก็คอยดูลมหายใจเราไปด้วยคอยนึกพุโทโธไปด้วยดูสิเวลาเราที่ไม่ได้มีการงานแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยใจเราอยู่กับพุโทโธใจเราอยู่กับลมหายใจได้ดีขนาดไหน เพราทุกๆช่วงเวลาของเราอันนี้มันก็นอกจากจะฝึกเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็กึ่งๆสถานการณ์ในชีวิตของของเรานั่นแหละที่เราเราไม่สามารถจะมานั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งหลับตาได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝึกอย่างเนี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรลืมตาเราก็อยู่กับพุโทโธเป็นเรากินข้าวเราก็อยู่กับพุโทโธได้อย่างนี้อันนี้ชีวิตเราต้องดีแน่นอน แต่คนที่ดีเฉพาะตอนที่ก่อนนอนหลับตาทําสมาธิตื่นนอนหลับตาทําสมาธิมันมันก็ดีเฉพาะสองชั่วโมงอะแหละสองสองเวลาแต่ไอ้ทุกทกเวลาที่มันไม่ใช่สองเวลานั้นนะ่มันจะไม่ดีเพราะว่าอ่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเรามีพลังอยู่สองสองแท่งอะ่ะแท่งหนึ่งเราเรียกว่าการงานภายใน อีกแท่งหนึ่งเรียกว่าการงานภายนอกเราทําแต่การงานภายนอกอย่างเดียวอะเราไม่ดูแลจิตใจเราเลยเงี้ยมันก็จิตใจเรามันก็โดนละเลยอะพอโดนละเลยมันก็ไม่ดีแน่นอนแต่การที่เราพยายามทำนึกถึงพุโทโธ บ, บ่อยๆดูลมหายใจให้ได้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการเสริมไอหลอดที่เรียกว่าการงานภายในเนี่ยให้มันเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้น คนเราเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขได้ดีมันต้องสองหลอดอันนี้มันต้องไปคู่กันหลอดการงานภายในก็คือดูแลจิตใจเราใช่ไหมการงานภายนอกหายอยู่หา ก, กินเพื่อปัจจัยสี่มันต้องไปคู่กันเราจะเอาแต่ปัจจัยสี่โดยที่เราละเลยการงานทางด้านจิตใจอ่ะผลมันก็เห็นอยู่แล้วว่าชีวิตมันก็ลุ้มๆุมดอนดอนสุขทุกข์มันก็อย่างที่เราเจอกันทุกวันแต่ถ้าเราพยายามทา เพิ่มเติมในส่วนที่เขาเรียกว่าการงานภายในที่เกี่ยวกับจิตใจให้มันควบคู่กันไปได้เนี่ยผลมันเป็นตัวตัดสินอยู่แล้วว่าถ้าเราทำแล้วมันดีสุขมันต้องมากกว่าความทุกข์ทุกข์มันลดลงแน่นอนแต่โดยมากเนี่ยเราเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะทำไปด้วยกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องได้แต่ตอนนี้มันแค่ยังไม่ชินเฉยๆพอมันยังไม่ชินมันก็รู้สึกยาก แต่คนคนเรามันไม่ได้เก่งขึ้นมาแบบดีดนิ้วแล้วเก่งไม่ใช่ใช่่แต่คนเราทุกวันเนี้ยคนที่มันเก่งๆทุกวันเนี้ยที่จะบอกว่าเป็นนักกีฬามีพรสวรรค์นเนี่ยมันก็ซ้อมหนักทุกคนเหมือนกันคนที่เป็นนักกีฬาแล้วบอกว่าเก่งว่าแต่ออกจากท้องเลยมันไม่มีนะคนที่มันมีพรสวรรค์ยังไงคลอดออกมาแล้วมันจะเก่งเลยก็ไม่มีเหมือนกันถึงแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เลิศที่สุด ในยุคก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ก็ยังต้องออกไปสแสวงหาความรู้ฝึกฝนอยู่ตั้งตั้งหกปีกว่าจะได้ธรรมะเอามาเจ็กจะเอามาแสดงให้กับเราเราท่านๆเพื่อที่จะเอามาลดทอนความทุกข์มาพัฒนาความสุขในใจขณะคนที่เ็าเรียกว่ามีพรสวรรค์มากๆแล้วยังยังต้องฝึกต้องสแสวงหาเพราะฉะนั้นมันทาได้แน่นอน แล้วก็เครื่องยืนยันเครื่องการันตีนะมันมีดาดเดินหมายความว่าในยุคพุทธกาลเราก็เห็นว่าความดีอันนี้ยมันไม่ใช่ดีเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใช่ป่ะมันมีความดีที่มันเผื่อไปให้คนอื่นก็ทําได้ทําเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าค้นทุกคนเดียวพระพุทธเจ้าพ้นทุกใช่ไหมแล้วก็เอาคําสอนมาบอกว่าทํำยังไงไพอมีคนเอาไปลองทําปุ๊บถ้าทําไม่ได้อะแสดงว่า ธรรมะมันก็ยังไม่เจ๋งไงแต่ทีนี้คนทำแล้วได้ผลตามเยอะแยะเลยแล้วก็มั่นใจที่ว่าเออนั้นเราก็ไปบวช ด, ดีกว่าไปประพฤติพรหมจรรย์เข้าหมู่เข้าพวกอยู่กับพระพุทธเจ้าดีกว่าก็มีเยอะแยะนี่มันตั้งกี่รุ่นน่ะสมมติว่าเราตีว่าเจเนเรชันหนึ่งคือร้อยปีใช่หมนี่มันก็ต้งเกือบยี่สิบหกเจเนเรชันแล้วนะ เพราะนั้นในคนที่มันพิสูจน์ให้เรามาเนี่ยมันต้องอยีง่สิบหกเจนเนอเรชันแล้วนะว่าอันเนี้ยมันแก้ทุกได้แต่ถ้าเราไปดูอ่ะในตำราถ้าคนไม่ได้อ่านเยอะใช่ปะ่ะเราก็จะเห็นแต่ไอ้เคสที่เขาเอามาเล่าแบบจริงๆไงฟังปุ๊บเหมือนดีดนิ้วแล้วปุ้งได้ผลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ได้ฟังหรืออ่านศึกษาเกี่ยวกับไอ้เคสที่มันยากๆเคสที่เขาปฏิบัติยากๆ ก, ก็มีเยอะแยะเลย มากกว่าไอ้เคสที่แบบว่าฟังปุ๊บปั๊บสองสามคำแล้วก็เข้าใจอะไรเงี้ยคือดัง น, นั้นเขาก็อยากจะพรีเซนต์ในด้านที่แบบเออมันดีนะแล้วก็สร้างกำลังใจอะว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นของยากอะไรเงี้ยแต่ถึงจะยากหรือไม่ยากเนี่ยสำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นศาสนาที่ต้องเรียกว่าเป็นวิทยวาวาดอะเป็นวาทะที่ต้อง ประกอบความเพียงนะถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้ต้องทําเท่านั้นทํามันถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้เหมือนกันมันเรากินข้าวใช่ป่ะเรากินข้าวเราก็อิ่มแต่ถ้าคนขิวข้าวแล้วมันไม่กินข้าวเนี่ยมองดูคนอื่นเขากินข้าวมันก็ไม่อิ่มสตีนะเอ่คนกินมันก็อิ่มเพราะฉะนั้นมันต้องกินเองมันน้ำอินเพราะนั้นคนที่อยากจะ ลดทอนความทุกข์คนที่อยากจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเองก็ต้องทำเหมือนกันทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็ทา ก, ก็เหมือนกันที่พูดไปเมื่อตอนต้นนั่นแหละที่ว่าคนที่ว่ายน้ำใครๆก็รู้ว่าหลักการว่ายน้ำเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ไว่ายกันเป็นทุกคนใช่ไหมแต่คนที่ฝึกฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกก็ว่ายเป็น แต่คนไหว้เป็นมันก็ไม่ได้ไหว้สกิลได้เท่ากันทุกคนบางคนก็ไหว้ได้แบบว่าพอเอาตัวรอดบางคนก็ว่าได้อย่างชํานาญบางคนก็ไหว้ได้ตั้งหลายท่าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสกิลที่เขาไหว้ได้หลายท่าเพราะเขาก็ฝึกฝึกในหลายๆแบบเขาก็เป็นหลายๆอย่างธรรมะนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องฝึกอะ่ะถ้ามันไม่ฝึกขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างเดียวนะได้แค่กำลังใจ ได้แค่มาโมเิเวตกันเฉยๆยังไม่ใช่ที่สุดของการที่เราจะทำให้ชีวิตเัาดีขึ้นเป็นแค่จุดเริ่มเริ่มต้นเล็กๆเป็นจุดที่สร้างประกายความอยากที่จะให้มันดีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในแนวทางที่มันถูกต้องแค่นั้นเองแต่สิ่งที่มันจะต้องไปต่อจากนี้ก็คือตัวเราเองล้วน ที่เราจะต้องหมั่นฝึกมั่นทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอหัดที่จะทำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าชีวิตมันไม่ได้โรยบนปลืกกุหลาบมันก็ต้องมีอุปสรรคแน่นอนแล้วก็อย่างที่ว่าถ้ามันง่ายๆเหมือนกับเด็กหัดเดินอ่ะที่ว่าไม่มีคอยมาอะไรคนอะไรกมากมันก็ง่ายๆแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยการงานเราก็มี ครอบครัวเราก็มีเพื่อนฝูงเราก็มีมันก็มีเยอะแยะยิ่งมีคนมากมันก็หลายเรื่องหลายราวมีเรื่องกระทบใจเยอะหลายด้านหลายแนวเพราะฉะนั้นอุปสรรคในการที่มันจะพัฒนามันต้องมีมากแน่นอนแต่ก็อย่าไปท้อกับอุปสรรคที่มันมีมากในชีวิตนะเพราะว่าถ้าอะไรมันง่ายเนี่ยมันก็ไม่เจิงเข้าใจปะถ้าเราผ่านอะไรง่ายๆมันก็ไม่เจ๋งเนี่ยเพราะว่าสกิลเราก็สกิลเด็กๆแต่การที่เรา ผ่านไปแก้ปัญหาไปผ่านไปได้มีปัญหาที่มันมากขึ้นยากขึ้นแล้วเรามีกําลังใจที่เราจะฝ่าฟันต่อสู้แล้วก็แก้ปัญหามันได้เนี่ยสกิลเราก็ต้องดีขึ้นแน่นอนตามลำดับเพราะฉะนั้นกําลังใจก็เป็นส่วนสําคัญวันนี้เราอาจจะได้กําลังใจที่ดีในการที่เราจะเออเราจะไปฝึกให้มันเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งกําลังใจมันจะไม่ได้ ไม่ได้ระดับเท่าเดิมนะตอนนี้นะมันก็จะโดนแบบ ФACEBOOK ดึงไปบ้างแหละยู u b e ดึงไปบ้างแหละหรือไม่ก็แบบว่าเอาอันนี้เราไปปาร์ตี้กันหน่อยช่วงปีใหม่นี้ก็วันหยุดเยอะให้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะโดนดึงเวลาออกไปจากการที่แบบเราตั้งใจแล้วเราจะทำอันนี้อันนี้อันนี้เพราะมันดึงเวลาเราไปเรื่อยแหละแล้วเราก็จะไม่ได้ทา พอทําบ้างไม่ทําบ้างเนี่ยผลที่ได้มันก็ไม่เหมือนที่คิดแหละตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยมันจะต้องดีอย่างนี้แต่พอทําจริงมันไม่ได้เหมือนที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก็กําลังใจมันต้องถดถอยแน่นอนแล้วคนที่จะเติมกําลังใจให้กับตัวเองได้ดีเนี่ยก็ไม่พ้นตัวเองอะไรใครให้คนอื่นเติมกําลังใจก็เป็นจังหวะเป็นเวลาอย่างวันนี้เราก็เติมให้เห็นหน่อย เรียกว่าเหมือนเงินก้นถุงมันก้นถุงแล้วก็ต้องเอาไปพัฒนาเนี่ยให้เรายือนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้ยือนอยู่ด้วยกําลังขาของตัวเองให้ได้ยือนอยู่บนด้วยกําลังใจของตัวเองให้ได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญคือเราจะบอกว่าเราไม่พึ่งใครอย่างเงี้ยเกิดมาเทพแล้วไม่ต้องพึ่งใครก็ไม่ใช่ เราทุกคนมันต้องพึ่งอ่ะพงกันทั้งนั้นแหละใครจะอยู่คนเดียวอยู่รอดบนโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้ต้องพึ่งกันทั้งนั้นแต่เราในพึ่งพาในลักษณะว่าไม่ใช่พึ่งเขาตลอดเราก็ต้องพึ่งพาแล้วก็ผลักดันให้เราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยใช่ไหสกิลเราดีขึ้นเราก็รู้เราก็บอกคนอื่นได้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็เราก็จะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นอ่ะเพาะงั้นเถอะเราก็จะคอย เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าก็เหมือนไม่ต้องพูดถึงธรรมะนะพูดถึงการงานก็เหมือนกันเราทํางานเราผ่านอุปสรรค ม, มามากเรามีอายุงานมากเราแก้ไขปัญหามามากเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นที่พึ่งให้กับน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆเฮ้ยเคสนี้อย่าไปทํานะเสียงเสียงเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรแหละมันยากตอนแรกลุยลุยลุยลมันก็จะมีคนคอยให้คําปรึกษาใช่ไหมมันก็จะ ไปได้ถึงมันจะมีคนให้คาปรึกษายงไงก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคแน่นอนที่เขาจะต้องแก้แต่พอแก้ไปแล้วผ่านไปแล้วมันต้องเป็นค่าประสบการณ์เขานี่แหละที่เขาจะได้ติดตัวไปติดตัวไปกับเขาแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งมีค่าของของตัวเองประสบการณ์มีค่าของตัวเองที่ที่มันไม่ได้ซื้อมาได้ด้วยเงินแล้วก็ ไม่ได้ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นแต่มันเป็นเอาเลือดเนื้อเอาตัวเราเข้าไปแลกมาเป็นค่าประสบการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสลืมไม่มีแน่นอนเพราะมันติดตรึงฝังเข้าไปอยู่ในเลือดเนื้อของเรานะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำก็ต้องเอาให้มันอย่างนั้นนะเอาให้มันซึมเข้าไปในเลือดเนื้อของเราเอาให้มันเป็นเป็นชีวิตของเราแต่แต่จะบอกว่าเอาไม่เป็นชีวิตของเราปุ๊บเฮ้ยไปบวช ด, ดีกว่า มันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคือคนเราทุกคนนะ่ะไม่ใช่เฉพาะนักบวชแต่ทุกคนนะธรรมชาติคนทุกคนมันต้องการความสุขแล้วก็เวลาที่มันมีทุกเนี่ยก็ไม่ต้องการความทุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบวชแล้วหนีไปบวชแล้วมันจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่เลยนะนก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่แน่นอนว่าถ้าบวชแล้วไม่ประกอบความเพียรเน่ะ มันก็สู้คนที่ไม่บวชแล้วประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ได้นะถ้าถึงบอกว่ามันเป็นศาสนาของการที่เราต้องฝึกเหมือนกันต้องฝึกมันเป็นทักษะความสุขความทุกข์ทักษะในการที่เราจะเพิ่มความสุขทักษะที่เราจะลดทานความทุกข์มันเป็นทักษะเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องความจำทฤษฎีอย่างเดียวแต่เป็นทักษะเลยที่จะต้อง ทำให้มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเราไหายน้ําอ่ะฉันใดฉันนั้นนะพอพูดไปมันก็จะเหมือนกับโอ้มีเรื่องต้องทําเยอะแ ย, ยะมากมายแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนปลูกต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยไม่ว่ามันจะกิ่งนั้นกิ่งนี้กิ่งไหนเนี่ยมันออกมาจากลําต้นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้วันนี้ก็คือเรากําลังเลี้ยงดูลําต้นนี้มันแข็งแรง รู้จักลําต้นที่ดีลําต้นที่มันแข็งแรงคืออันนี้ส่วนเราจะแตกไปเป็นทักษะในการเพิ่มความสูข ก, กิ่งนั้นทักษะในการแก้ทุกข์กิ่งนี้อันนั้นค่อยว่ากันทีหลังแต่ถ้าลําต้นแล้วไม่มีลําต้นที่มันดีหรือว่าเป็นไม้ที่มันไม่มีลําต้นมันก็ไม่มีกิ่งใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องพยายามหาลําต้นในนี้ให้มันแข็งแรงเสียก่อน ลำต้นก็คือพุโทโธนี่แหละพุโทโธแล้วก็ลมหายใจที่เราจะฝากใจของเราเนี่ยเอาไว้ที่ตรงนี้เป็นที่อยู่เป็นบ้านหลังใหม่ให้ใจของเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็ไปเรื่อยนะเรื่องงานเอ่ยเรื่องเพื่อนเอ่ยเรื่องลูกเรื่องแฟนเยแย่ไปหมดเลย แล้วพอเรากลับบ้านทีหนึ่งเนี่ยถ้านันนานันน า, น า, นานเราก็จะสมมติถ้าบางทีมันก็ไม่รู้ตัวนะแต่พอมารู้ตัวไอ้ทีเราก็รู้สึกแบบใจมันล้าใจมันหมดกำลังใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยพอมาไปถึงจุดนั้นมันก็อาจจะยากหน่อยที่ว่าจะบริหารจัดการเพราะมันเหมือนกับมืนบ้านที่เรารกอะ่ะเราขนของมาเต็มเลยกว่าเราจะเคลียบบ้านให้เรามันสะอาด เป็นที่เป็นทางหน้าอยู่เ่าต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราเนี่ยจัดให้มันเหนื่อยครั้งเดียวรอบเดียวแล้วมันเป็นระเบียบเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สอยหรือว่าใช้งานต่อต่อไปแล้วเราพยายามจัดให้มันเป็นระเบียบอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันไม่เหนื่อยดีกว่าที่ว่าเรายังมีนิสยัยเียวแบบรกๆอะไรก็โยนอะไรก็ซุกๆุกเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเหนื่อยจัดบ้านอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่ไหวถ้าเรา รู้แล้วเราก็จัดให้มันเป็นระเบียบซะแล้วเนี่ยแล้วเราก็คอย manage มันอยู่เรื่อยๆให้มันเป็นระเบียบอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยบ้านมันก็เป็นบ้านที่น่าอยู่รับแขกก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มันดีมันสวยมันงามมันพร้อมใช้เพราะฉะนั้นการที่ใจเรามีที่อยู่คือพุทโธคือลมหายใจเนี่ยมันก็ทําให้ให้ใจของเราเนี่ยอย่างแรกคือมันได้กินอารมณ์ที่มันดี อย่างที่บอกไปว่าใจเราเนี่ยมันขมวดแล้วมันยุ่งกับสี่อย่างก็คือรับจําคิดรู้ซึ่งอารมณ์ซึ่งอารมณ์นะและอารมณ์มันก็มาจากหลายอย่างเนี่ยจากตาบ้างหูบ้างความคิดนึกปรุงแต่งของเราบ้างมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่มันชอบใจไม่ชอบใจได้เลยพอเปลี่ยนเป็นอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นสุขทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถูกใจกับถูกต้องไม่เหมือนกันนะ ถูกใจกับถูกต้องถ้าถูกใจแล้วมันถูกต้องมันไปด้วยกันได้อันนี้ดีแต่ถ้าถูกใจกับถูกต้องมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราคอยฝึกฝึกเนี่ยให้ใจเราอยู่กับพุโทโธอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะฝึกทักษะให้เราเนี่ยอยู่กับความถูกต้องได้มากกว่าความถูกใจด้วยมาพูดอย่างนี้เราก็เลยเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ทำไมเราถึงมีกำลังใจที่มันจะหักความถูกใจมาสู่ความถูกต้องได้ดีขึ้นกับการที่ว่าเราคอยมานั่งดูลมหายใจกับการที่ว่าเรามาคอยอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเอแ น, น่นอนการที่เราฝึกอยู่อย่างเนี้ยมันก็ฝึกอยู่กับอะไรมันเผลอไปคิดมันเผลอไปได้ยินเสียงเราก็หักใจเรากลับมาไวที่พุทโธเชียพอเราทาได้อย่างนี้บ่อยๆเนี้ยทักษะในการที่จะหักหาอารมณ์ แล้วก็ดึงมันกลับมาเนี่ยมันได้ซ้อมอยู่บ่อยๆถึงมันจะไม่ได้เลยกับตัวใหญ่แต่ก็ซ้อมกับตัวเล็กนี่แหละซ้อมกับตัวเล็กนี่แหละดีเพราะว่ามันจะได้ทักษะเหมือนกับหมอเขายังต้องใช้เชื้อโรคใช่ปะ่ะมันวัคซีนเน่ยมันก็คือเชื้อโรคใช่ไหมพอฉีดเข้าไปมันก็คือเราฉีดเชื้อโรคเข้าไปให้ตัวเรานั่นแหละแต่มันเป็นเชื้อโรคแบบอ่อนแองไงให้ร่างกายเราได้ซ้อมย้ำ ม, มันซะก่อน ทีนี้เวลาเจอชั่วโรคที่มันตัวแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยมันจะได้รู้ว่ามันควรจะสู้ยังไงฉันได้ฉันนั้นการที่เราหักจากอารมณ์ความคิดย้อนกลับมาไว้ที่ลมหายใจกับคำบริกรรมคือพุโทโธอยู่บ่อยๆมันก็มีสกิลในการที่เราจะหกักหักอารมณ์นั่นแหละแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่อันนี้บ้านที่เราสร้างอันนี้บ้านที่ดีอันนี้ พอเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆมันแน่นอนมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะพอไม่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจะทําสิ่งนี้มันถูกใจแล้วก็หักหักมาได้ด้วยสกิลพื้นฐานอันนี้แหละที่เรามีแล้ก็ย้อนกลับมาแต่แน่นอนว่าบางครั้งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะถ้าเองเรื่องที่มันถูกใจมันใหญ่โตเช่นละเกินมันก็อาจจะมีกําลังใจไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนี่แหละมันฝึก เราจะได้มีกำลังใจที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีทักษะดีขึ้นมีกำลังใจที่มากขึ้นมันก็ทำให้เราหักหานอำนาจความอยาดของเราได้ได้ดีขึ้นแบบนี้มันก็สำคัญนะมันก็มาจากจุดง่ายๆจุดนี้แหละที่เราต้องพยายามทำให้มันมันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินให้กับ ตัวเราใหม่สร้างทักษะอันนี้ทักษะทางใจอันนี้ให้มันเป็นคุณสมบัติติดใจเอาไว้เป็นคุณสมบัติใหม่ของใจไม่ให้เป็นใจที่โดนชักจูงจากอารมณ์ได้ง่ายๆเหมือนเก่าโดนล่อหลอกง่ายๆเหมือนแต่เก่าแพะ้เวลาฟังไปเนี่ยเราก็อยู่กับพุโทโธได้ เวลาเราฟังเราก็อยู่กับลมหายใจได้ไม่อย่างนั้นมันก็ฟังไปด้วยแล้วก็ได้ฝึกทักษะของเราไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็พยายามทําให้มันกลมกลืนกับชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จําเป็นนะพยายามทําทักษะอันนี้ให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นมันอาจจะดูยากแต่ก็ทําได้บางช่วงเวลาทําง่าย บางช่วงเวลาอาจจะทำไม่ง่ายแต่ก็ยึดหัวหาดไอ้ช่วงเวลาง่ายๆไปก่อนช่วงเวลาไหนบะที่มันง่ายอย่างเช่นอาบน้าแปลงฟันกินข้าวเราไม่ยุ่งของใครอยู่แล้วช่วงเช้าเนี้ยมันก็เป็นเวลาของเราแบบเกือบๆจร้อยเอร์เซ็นต์ใช่ป่ะอย่างแปลงฟันเนี่ยอาบน้าเนี้ยเราก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใจเรามันก็ลอยไปฟุ้งไปใช่ป่ะ ส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้เราจิตใจสบายปลอดโปร่งแล้วก็สงบระงับได้มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันก็จะทําให้ใจเราเนี่ยกลับไปเป็นอารมณ์หิวได้อารมณ์ร้อนได้อารมณ์ฟุ้งซ่านอะไรแบบเนี้มันเรื่องที่เราคิดเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดแบบตั้งใจคิดนะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยให้แบบฟรีสไตล์ ไม่ควบคุมเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราก็พยายามยึดมันกลับคืนมาจากน้าแปลงฟันกินข้าวเนี่ยเราก็คอยเห็นลมหายใจอยู่เรื่อยคอยนึกถึงพุโทโธอยู่เรื่อยได้เขาเรียกว่าเก็บเวลาที่มันอิเล็กทิกขักออกไปเก็บมันเอามาไว้ในจุดที่มันจะมาพัฒนาจิตใจของเรามาพัฒนาอา่าพัฒนาศักยภาพพื้นฐานจิตใจของเราแล้วก็ เขาเรียกว่าพอเรทาทได้บ่อยๆบ่อยๆสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นนิสัยนิสัยอันใหม่เกิดขึ้นอย่างคนที่เริ่มที่จะออกกําลังกายะเขาก็ต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยเหมือนกันใช่ไหมต้องมมีเวลาออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆไม่งั้นก็ทำสองวันทำสามวันเลิกแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีกําลังใจทําแต่คนที่เขาออกกําลังกายสม่ําเสมออยู่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า เขามีนิสัยในการออกกำลังกายไปเสิแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามทาให้ตัวเองมีนิสัยในการที่เราจะดูแลจิตใจของเราเพิ่มศักยภาพพื้นฐานจิตใจของเราให้ได้ก็เริ่มจากอันนี้แหละช่วงเวลาที่เราไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราเนี่ยทำง่ายสุดก่อนก่อนนอนก็ทำง่ายใช่ไหมเพราะก่อนนอนก็ไม่มีใครวุ่นวายกับเรานอกจากเราจะวุ่นวายอยู่กับ Facebook youtube ลายอะไรเหล่านี้ซึ่งถ้าเราอาจจะลดสัดส่วนมันลงบ้างเราก็ได้เวลาเพิ่มที่เราจะมาอยู่กับจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นดัง น, นั้นอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาสองช่วงเวลาหลักๆใหญ่ๆที่ที่เราจะเอามันกลับมาได้ง่ายแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยแน่นอนการที่เราต้องทำงานมันอาจจะ อยู่กับลมขายใจอยู่กับพุโทโธได้ยากอันนั้นก็เว้นไว้แต่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะมันก็อยู่ได้เวลาที่เรารู้สึกนิดหนึ่งอ่ะมีสติเกิดขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะส่วนมากบางทีอ่ะอย่างเช่นเราทาแล้วเรารู้สึกลาลางี้เราก็อาจจะไปทําน่นทานี่อ่ะเดินไปชงกาแฟหรือไม่ก็นั่งหลับตาสักพักหนึ่งแล้วปล่อยให้ร่างกายมันได้พัก แต่เราปล่อยให้ใจของเรามันเลื่อนลอยออกไปโดยแบบไร้การควบคุมอันนี้ก็อาจจะน่าเสียดายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ย้อนมันกลับมาที่พุโทโธอยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นเราจะมีช่วงเวลาเล็กๆนิดๆหน่อยๆที่เราจะหยอดกระปุกตรงนี้ได้ตลอดทั้งวันคบา น, นที่เราเดินไปเข้าน้ําแล้วก็เดินดูตัวเองไปด้วยเห็นลมหายใจไปด้วยพุโทโธไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้น มันมันจะมีช่วงเวลาในระหว่างวันที่แต่ละคนแต่ละคนมันจะมีความสะดวกที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ทุกคนจะหาไปช่วงเวลาที่เล็กๆตรงเนี้ยที่ตัวเองสะดวกหยอดได้ตลอดตลอดตลอดแล้วมันก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าในระหว่างวันนี่ยถึงมันจะไม่สงบเต็มที่เหมือนกับที่เรามานั่งสมาธิแต่เขาเรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้รับการสังเกตได้รับการควบคุมได้รับการดูแลอยู่ตลอดทั้งวันเหมือนกัน งั้นคนที่ควบคุมดูแลจิตใจได้ดีมันก็เหมือนเราเลี้ยงเด็กอะ่ะถ้าเด็กที่ปล่อยเขาเล่นอย่างเดียวโดยที่พ่อแม่ไม่ค่อยค่อยควบคุมดูแลเนี่ยโอกาสที่มันจะไปจมน้ำบ้างแหละโอกาสที่จะโดนลักพาตัวอะไรยงี้มันก็มียอะเยะรถชงรถชนใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่มันควบคุมเอาไว้ได้ระดับหนึ่งเนี่ยความปลอดภัยมันก็ก็มีมากขึ้นฉันได้ฉันนั้น ถ้าใจของเราเนี่ยเราคอยมีสติคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆทั้งวันไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้นะพยายามแทรกอยู่ให้ได้ทั้งวันเนี่ยใจเราก็ต้องดีกว่าที่เราจะไม่ได้ควบคุมไม่ค่อยดูแลมันเลยแน่นอนอย่างน้อยๆเนี่ยพอเราคอยสังเกตเราคอยดูแลมันอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่ต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าเราได้ไอเทมอันใหม่ก็คือเบรคของเราจะทนอัปเกรดขึ้นมา เ e a k ทางด้านจิตใจของเราก็จะโดนอัปเกรดขึ้นมาเป็นอีกอีกเลเวลหนึ่งที่มันดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราคอยสังเกตจิตใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพจิตใจของเราเนี่ยว่ามันหดอีกระดับไหนสมัยก่อนเราอาจจะรู้ตัวทีหนึ่งก็อาจจะเลเวลหอย่างนี้แต่พอเราคอยหมั่นสังเกตใจเราอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นมันที่เลเวล5าอีกต่อไปแน่นอน มันจะต้องเห็นที่เลเวลสี่เลเวลสามเลเวลสองเลเวลหนึ่งเลเวลใดเลเวลหนที่มันไม่ใช่เลเวลห้าแน่นอนแล้วมันก็จะไม่ช้าไปจนถึงเลเวลหแน่นอนพอเราเห็นเห็นถึงว่าเลเวลสามันมาแล้ ว, ลว อ, อ้าวไอกระบวนการที่เราจะดูแลมันน่ะมันก็มาได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นจากคนที่อาจจะหอดหงิบได้ก็อาจจะหอดหงิดยากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าไม่หงุดหงิดเลยนะมันก็จะมีพัฒนาการไปนั่นแหละอาจที่จะแบบว่าบางคนพูดไม่ดีแล้วก็สวนไปเลยเราก็มีเบรกที่จะแบบหยุดคิดได้ดีขึ้นหยุดยั้งอารมณ์ในใจเราได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ยั้งคิดว่าเราควรจะพูดตอบกลับไปในลักษณะไหนถ้าพูดแบบเก่าผลเป็นยังไงถ้าเราไม่พูดเลยดีกว่าไหมหรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยมัน มันจะได้ผลในทางบวกดีขึ้นถ้าเราพูดแบบนี้อะไรอย่างี้มันก็มาจากกระบวนการที่เราเริ่มสังเกตเห็นใจของเราได้ดีขึ้นมันก็จะพัฒนาต่อยอดออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ไม่รุนแรงเท่าเก่านะไม่รุนแรงเท่าเก่าหมายความว่าแน่นอนว่าไอ้ด้านที่แบบไม่ดีอ่ะมันก็ไม่รุนแรงอยู่แล้วแต่ก็ไม่รุนแรงในด้านที่แบบว่ารักมากขึ้น รักมากขึ้นนึงก็ไม่ดีนะเหมือนพวกไอดอลน่ะไอดอลนะนะโอยเห็นแล้วก็แบบกรีก๊ดกรดอันนั้นมันเป็นประกอบไปด้วยความลำเอียงอย่างสุดโตงเหมือนกันการที่เรารักใครมากๆมั น, มนก็มีความลำเอียงในด้านด้านความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกปรับจูนในอารมณ์ว่าเฮ้ยเรารักมากแต่เราก็ตัวนี้มันจะมาคานความรักเราเหมือนกันความรักความพอใจของเราเหมือนกันให้กลับมาอยู่ตรงไหน กลับมาอยู่ตรงที่ความถูกต้องนี่แหละว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเราก็จะดำเนินบนทางถูกต้องได้ดีขึ้นกว่าเก่าพอเราดำเนินบนเส้นทางของความถูกต้องได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันก็ควรจะสบายขึ้นกว่าเก่านะอย่างเช่นอย่างเช่นเอาแบบให้มันดูหัดคอหันคอยหน่อยนะ แบบพอเรามีซีซีเยอขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะมีเท่าที่เห็นนะสังคมแบบผู้บริหารก็จะแบบชอบมีเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยในคอนโทรลเยอะๆอะไรนี้นะมีคู่ก็ชอบจะนอกใจคู่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่บนความถูกต้องก็คือว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์กับครอบครัวไออิเล็กเขกคลักเกอ่านี้เราก็ปัดเอาเมออกไปจากชีวิตแต่การที่มันจะปัดออกไปจากชีวิตเนี่ยแน่นอนว่า กำลังใจที่มันยืนอยู่บนความถูกต้องมันต้องมีมากพอสมควรแล้วก็รู้จักที่จะเท่าทันใ จ, ใจิตใจอ่ะเฮ้ยใจเรามันจะหลงไปทางนี้แล้วนะมันเราไม่เอาแต่คนที่มันไปได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักว่าอะไรดีที่ใจนะมันก็อย่างว่ามันไปตามความชอบใจมากกว่าความถูกต้องนะแต่ถ้าเรามีสติคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ย กำลังของความถูกต้องเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาหักเอาความถูกใจในด้านไม่ดีไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราก็จ ะ, สะเสถียรขึ้นใครก็จะมาแบบว่าเอ้ยบอสคนนี้มีจุดบอดมีบ้านเล็กบ้านน้อยอหรือไม่ก็รับสินบนอย่างนี้ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเจ้านายที่ค l e a n l e n ไม่มีเรื่องมัวหมองใช่ปะ หน้าที่การงานมก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่มีจุดเสียนะแล้วคนที่พัฒนาทางด้านความถูกต้องที่ดีมากขึ้นได้เนี่ยมันก็พัฒนาไปอีกหลายๆอย่างหลายๆอย่างหลายๆด้านตรงที่ว่าอย่างเช่นความเมตตาความอดทนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจพวงมาด้วยเพราะั้นเรามีเมตตากับลูกน้องอามันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหม เราไม่อดอีจง่ายเราไม่อดอิจใส่ลูกน้องอ่ามันก็เป็นเรื่องดีใช่ไเวลาคุยกันก็คุยกันด้วยความถูกต้องคุยกันด้วยเหตุผลมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมไม่เอาอารมณ์เข้ามาใส่กันเพราะนั้นชีวิตถ้าแต่ละคนแต่ละคนมีมีแนวทางที่จะเพิ่มทักษะทางด้านจิตใจให้กับตัวเองเนี่ยสังคมที่ทำงานเอยสังคมโดยรวมเอยเนี่ยมันก็จะร่มเย็นขึ้น เรื่องราวมันก็จะลดลงได้ ท, ทุกวันนี้เราขาดขาดการดูแลขาดทักษะในการบริหารจิตใจอ่ะมันก็ฟ้องอ่ะฟ้องมาตามสื่อที่เราเห็นนั่นแหละแค่ขับรถไม่พอใจกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวนี้ก็เอากันถึงขั้นเสียชีวิตกันแล้วไม่ใช่แค่ว่าทำร้ายกันอย่างเดียวใช่ไเพราะฉะนั้นมันมันบ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ไอ้ศักยภาพทางด้านจิตใจเนี่ยมันมันลดลงไปเยอะสำหรับคนสมัยนี้แต่ก็อย่าให้เป็นเราเรามีโอกาสเรามีเวลาแล้วเราก็มีมีต้นทุนที่ดีก็คือว่าความเห็นความเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะคือความความเห็นคือความคิดความเห็นของเราเนี่ยมันตรงทางมากขึ้นมันก็ทำให้ มีต้นทนตรงเนี้ดีกว่าคนที่เขามีความเห็นผิดมีความคิดผิดอย่างเช่นเขาบอกว่าอาถ้าไม่มีตังนั้นก็ไปพ้นดิธนาคารพ้นซื้อเป็นก็ได้ถ้าคนมีความเห็นนี้คือคนมีความเห็นไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีตังไปหารายได้พิเศษสิไปทํางานตรงนั้นเพิ่มทํางานตรงนี้เพิ่มอาจแสดงว่าคนที่มีความเห็นที่มันถูกต้องถูกตรง ดังนั้นคนมีความเห็นที่ดีก็คือคนมีต้นทุนที่มันได้เปรียบกว่าคนอื่น